สนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระ ม, ะมหาไพบุญอภิปุโนทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สัปดาห์ละ7วันข้าพเจ้าก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นตำหน้าที่ของภิกษุคือการให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้ง โดยในแต่ละสัปดาห์ในช่วงของวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นโดยปกติโดยปกติในสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ก็จะนําพระสูตรเรื่องราวที่เป็นคําสอนของพุทธมาอ่านเป็นบทพยัญชนะให้ท่านบูฟังฟังในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นั้นก็จะมาทําหน้าที่ในการอธิบายในการที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดพระสูตรที่ พระพุทธเจ้าได้ไมาให้ธบังฟังในือนเพื่คือเมื่อวานนี้เป็นประจุที่มาในมัชชิมาทิายคือในพระไตรปิฎกเนี่ยธบวังของงี้ก่อนนะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยทุกวันนี้ตุ ว, นนวันนี้หลักฐานที่เขาเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ทั้งหมดก็จะอยู่ในคัมภีร์ในกัมภีเป็นตัวหนังสือที่เขาเขียนรวบรวมมาไว คำพีที่ว่านี้ก็คือคัมภีร์ในพระไตรปิฎกซึ่งในคัมภี์พระไตรปิฎกมีส่วนที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็มีส่วนที่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆท่านก็ได้ทําหน้าที่ของท่านในการทําสิ่งที่พรุทธเาอธิบายไว้ให้มีความจัดแจ้งแต่เรื่องไหนเรื่องราวใดที่เป็นคําสอนคําอธิบายบทสนทนาบานทีเป็นเรื่องเล่าเรื่องอุทานต่างๆเนี่ยเขาก็จะ ร, รวบรวมไว้จัดเป็นหมวดหมู่ ส่วนที่เป็นเรื่องไม่สั้นไม่ยาวเกินไปเขาก็จะมารวมกันอยู่ในหมวดหนึ่งก็เรียกว่าหมวดกลางๆเขาเรียกว่ามัชชิมาณีกายแต่ช่วงเรื่องที่ข้าพเจ้าเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังนั่นคือส่วนที่มาจากตรงนี้นั่นมัชชิมาิีกายส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องยาวๆเป็นหลายๆสิบหน้าท่านก็รวบรวมมาไว้อยู่ในหมวดเรื่องยาวๆเรียกว่าทีฆานิกายอันนี้คือโดยทั่วๆไปแต่ท่านจะรวบรวมมาอย่างนี้แต่ในแต่ละหมวดที่พูด ถ, ถึง ที่ขัิการมาชิมนิกายเป็นต้นเนี่ก็ยังมีแบ่งแยกจัดแจกเนะี่ยเป็นเขาเรียกวา่าเป็นตอนๆอนในะตอนที่เกี่ยวกับ เ, เรื่องของปริภาชค ก, ก็มารวมไว้ในตอนนีนะ้ในแต่ละตอนก็แยกเป็นพระสูตรพระสูตรที่ข้าพเจ้านํามาอ่านให้ฟันผู้ฟังฟังเมื่อวานนี้ก็คือเป็นพระสูตรที่มาในมัชิมะนิกายอาอย่เล่มที่13ถ้ามเป็นฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็จะอยู่เล่มที่13ถ้าเป็นฉบับของมหามงกุรราชวิทยาลัยก็จะอยู่เล่มที่20เล่มที่20่สิบฉบับของมหามงกุรราชวิทยาลัยเล่มที่13สามฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแต่ข้อนั้นก็จะตรงกันคือข้อ175สิบหแต่ของฉบับมหาจุฬานี้จะมีข้ออีกข้อหนึ่งที่ข้อเพิ่มเติมก็เรียกว่าข้อร้อยสีแปดเป็นลําดับข้ออีกแบบหนึ่ง ข้อที่ร้ิบแปก็มีเรื่องราวประูุรนี้เ็าเรียกว่าละทุกิโกุปมาสูตรและนี้ก็มาจากคาว่าลกักิกาซึ่งหมายถึงนกมูลไถ่พระเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเรื่องกับนางนกมูลไถ่มีอุปมาหลายอยา่างตัวนี้เริ่มต้นเรื่องของ น, งนกมูลไถให้กับท่านพระอุทายีฟังท่านพระอุทายีตอนนั้นก็อยู่ที่เมืองอาปณนะ อแควนอังคุตระแต่ซึ่งเป็นคนละประเทศกันกับของแคว้นมคตเป็นคนละประเทศกันกันกบแคว้นโกศลแแคว้นโกศลก็มีพระราชาชื่อพระเจ้าพระเศรนิโกศลแคว้นมคตก็มีพระราชาชื่อพระเจ้าพิมพิสารตอนนี้พระรูชาอยู่ที่แคว้นอังคุตระเมืองชื่ออาปนะก็ประกบว่านี้เป็นข้อปฏิบัติของพระบรมรชาอยู่เป็นประจำหลังจากที่ไปบิณตบารจาอาหารเรียบร้อยแล้ว ก็จะไปหลีกเล่นหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวตามราวป่าตรงนั้นตรงนี้ในช่วงเวลากลางวันซึ่งท่านพระอุทายีก็เหมือนกันไปบินทบาทในเวลาเช้าฉัานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ไปหลีกเล่นทีนี้ก็ในส่วนท่านพระอุทายีเนี่ยหลังจากไปหลีกเล่นก็มีความคิดขึ้นว่าพระบรุทธเาเนี่ยเป็นผู้ที่นำออกซึ่งเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากให้กับภิกษุทั้งหลาย แล้วก็ทรงนำธรรมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็ น, นมากมาให้ภิกษุทั้งหลายนะักคิดอย่างนี้แล้วก็เลยนําความข้อนี้มาบอกกับพระพุทธเจ้าหลังจากที่ต่างคนต่างดีนั้นกันมาแล้ตอนเย็นมาพบ ก, กันแสดงธรรมบ้างตอบข้อสงสัยต่างๆบ้างผลปโะกาศให้ภิกษุถามปัญหาบ้างแต่ท่านพระอุทยีก็ใช้โอกาสนี้ในการเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทเจ้าฟังทําไมท่านพระอุทัยถึงคิดว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นำเหตุแห่งสุขมาให้นำเหตุแห่งทุกข์ออกไปหลังจากพิกษุทั้งหลายเรื่องมันมีมาเป็นอย่างนี้จำฟังในช่วงตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศาศาสนาใหม่ๆนรือประกาศคําสอนใหม่ๆแล้วก็มีสี่ชนิดที่เรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติอยู่แล้วหนึ่งในสี่นั้นก็คือเป็นผู้ที่วันหนึ่งฉันอาหารมื้อเดียวทีนี้หลังจากที่มีคนมาบวชมากขึ้น มีคุรบุตรมาบทมากขึ้นมีคนเยอะขึ้นคําสอนแผ่ไปกว้างมากขึ้นคนที่ไม่สามารถทําได้ก็มีแต่พอพิสูจนที่ไม่สามารถทําได้ไม่สามารถที่จะฉันอาหารมื้อเดียวได้เนี่ยก็เลยต้องไปปิณฑบาตตอนกลางวันแล้วก็ไปปิณฑบาตตอนเย็นก็คือวันหนึ่งฉันมันสา ม, มื้อเลยเช้ากลางวันเย็ น, นเย็นนี่ก็คือหมายถึงหลังหกโมงเย็นไปเช้านี่ก็คือตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงก่อนเที่ยง เวลากลางวันนั่นก็คือหลังเที่ยงจนถึงหกโมงเย็นเวลาเย็นก็คือหลังจากหกโมงเย็นเป็นต้นไปเวลาค่ําเขาใช้คําว่าเวลาราตรีทีนี้ช่วงเวลา3ช่วงเวลานั้นเราจะเปรียบเทียบกับของไทยเราก็คือมือ้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นซึ่งในอินเดียแม้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็ตามนี่นะมื้อเย็นของเขาก็คือนู่นเลยสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มนั่นคือมื้อเย็นของเขา เป็นมื้อที่เรียกว่าจะมีความประณีตอาหารอะไรที่เก็บไว้ในเวลากลางวันแต่ไม่ได้กินอะไรก็จะมาดีๆก็จะมาทํากินกันตอนค่ําตอนเย็นตรงนั้นแต่ส่วนกลางวันเขาก็จะกินข้าวเที่ยงกันบ่ายสนุ่นตอนเช้ า, เาก็จะกินข้าวเช้ากันก็ประมาณ7จ็ดแปดโมงอย่างนี้ธรรมเนียมที่เขาปฏิบัติกันแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ในประเทศอินเดียโดยส่วนใหญ่เพราะในในสามมื้อกต่ถ้าเป็นอาหารเช้า ก็คือเวลาเช้าแต่เป็นอาหารกลางวันเขาก็จะเรียกว่าวิการในเวลากลางวั น, น, นวิการในเวลากลางวันส่วนจะเป็นตอนเย็นก็เรียกว่าวิการในเวลาราตรีแต่มีทัหมด3ช่วงเวลาตรงนี้ทีนี้เมื่อก่อนภิกษุก็ฉันทั้ง3เวลาเลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ท่านผูังอาจจะสงสัยเพราะว่าศีลที่ประกาศในตอนแรกๆเนี่ยเป็นข้อที่เป็นแนวทางนะให้ปฏิบัติเฉย เป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นแนวทางที่เรียกว่าให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้แต่เวลาบวชมาแรกๆอุปชาท่านก็จะมอบข้อปฏิบัติ่ตเช่นมาเอาถ้าจะกินอาหารนะก็ให้ยินดีในอาหารที่เกิดจากปลีแข่งของตัวเองไปบิณฑบาตเอาหรือว่าถ้าเข้าจะถวายด้วยศรัทธาก็จะรับก่อรับได้ลักษณะ น, นี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเฉยๆส่วนเรื่องที่การรับทานอาหารมื้อเดียวอันนี้ก็เป็นแนวทางให้ปกติทําอย่างนี้ ทนี้ถ้าเพื่กว่ามีเวทนาเสียดแทงนะหิวหรือบางดีแบบกระสับกระส่ายเกิดขึ้นเนี่ยภิกษุก็ไปทําอย่างอื่นตามใจตัวเองแตนะ่ซึ่งไม่ได้มีข้อห้ามแตนะ่ตรงนี้มันต่างกันคือที่เป็นแนวทางให้ปฏิบัติเป็นไกด์ไลนะ์ให้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ในบะรรยากาศไเรียบร้อยแล้วส่วนข้อห้ามไม่ได้มีแต่ตอนแรกยังไม่ได้มีช่วง10ปีแรกนะยังไม่ได้มีเลยเพราะว่าภิกษุทุกรูปนั้นยังตามข้อโสดาบันพระพุทธเจ้าให้แนวทางปฏิบัติอย่างไร ก็ทําอย่างนั้นเป๊ะทีนี้พอมีพิสูจมากขึ้นมีพิสษุน์ที่เป็นปุตุชนถูกเวทนาเสียดแทงแล้วมันก็ทําอะไรล่ะตรงนี้ไม่ได้ห้ามเราก็จะหาช่องหาทางไปเราก็เลยเป็นลักษณะที่ว่ารับประทานกันสมมือแล้วทีนี้แนวทางที่ควรทําก็คือให้กินมือเดียวแต่ถ้าจะกินมือสองมือสามเขาไม่ได้ห้ามนี่นาเรนก็เอาซะเลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ว่าพอมีข่าวมาว่าเอามีกัน รับประทานอาหารในเวลานอกการในเวลากลางวันพระพุทธเจ้าก็ห้ามซะแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระอุทายีนั่นแหละเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนแรกนี้รับประทานอาหารได้สามมื้อเลยเช้ากลางวันเย็นแต่พอพระพุทธเจ้ า, ามาห้ามซะแมงก็รู้สึกน้อยใจเสียใจว่าอืทําไมมาห้ามเรากินได้สามมือ้อตอนนี้เหลือแค่เช้ากับตอนค่ําแต่ก็เพราะว่ามีหิริโอตปะยังมีความรักความกรบุบ ความยำเกรงในพระพุทธเจ้าเราก็เลยทําตามแต่ก็ไม่ได้ยินดีจะทําตามเท่าไรหร่หรอกแต่ยังมีความเสียใจอยู่สมัยต่อมาพอมีข่าวเกิดขึ้นมาภิกษุก็รับประานอาหารตอนข้ามด้วยหน่วยวิการในเวลาราตรีนะห้ามไปแล้วนะ้ะก่อนหน้านี้ห้ามวิการในเวลากลางวันไปแล้วตอนนี้ก็มาห้ามวิการในเวลาราตรีอันะนี้สมัยพุทธกาลนะก็มีนะเพราะในสมัยปัจจุบันนี้ก็ควรจะงดเหมือนกันแตนะ่พอมีการห้าม ภิกษุเราไปทานอาหารในยามวิการในเวลาราตรีแต่ท่านเราอุทยีนี่ก็อุย้ยเป็นเดินเป็นร้อนอีกเหมือนกันเนื่องเพราะว่าหวัวหารเวลาข้ามนี่มันละเอียดประณีกว่าเวลาอื่นๆ น, นะเขาไปหาอะไรมาตอนกลางวั น, น, นเก็บผักเก็บพืชอะไรสดๆมาแหมมาเก็บไว้กินตอนเย็นมันละเอียดประณีกว่าแต่ก็ด้วยความรักความเคารพแมีความกลัวความละอายใน คำสอนของพุทธะอาทำตามก็ทําตามแต่พอมาทําตามแล้วเนี่ยเห็นประโยชน์ตามหวังเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ตรงไหนอย่างพระภิกษุเวลาจะหาอาหารมารับประทานเราก็ต้องไปบิณฑบาตทีนี้ตามบิณฑบาตอาจจะรับประทานสามือ้อก็ต้องไปบิณฑบาต3ครั้งละ่ะแต่พระภิกษุที่ประมา่าในตอนเช้าเขาก็บิณฑบาตที่ยวนหนึ่งแต่ตอนก่อนเที่ยงช่วงประมาณส0บโมงสิบเอ็โมงเขาก็ไปบิณฑบาตอีกรอบหนึ่งเพื่อมารับประทาน จะกินอาหารก็ต้องไปบินธบาติละทีนี้ถ้าจะกินอาหารในเวลาค่ําำนะคือเวลาวิการในเวลาราตรีคือหลังหกโมงเย็นไปแล้วก็ต้องไปบินธบัติทีนี้หลังหกโมงเย็นไปท่านผู้ฟังแต่ถ้าเป็นบางฤดูมันก็มืดแล้วสมัยก่อนบางเส้นทางะก็ไม่ได้มีไฟไม่ได้มีบ้านเรือนเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไปจากวัดไปในบ้านเพื่อบินธบาติเนี่ยตกขี้ตมบ้าง ไปเดินเหยียบแม่วัวบ้างที่เขานอนอยู่ตามทางหรือว่าเจอโจรที่กําลังจะไปล้นบ้างกลับมาจากการปล้นบ้างบางทีเจอผู้หญิงชักชวนไปในเสพกามบ้างแม้มันมีเหตุแห่งทุกเปน็นนันมากแม้แต่ตัวท่านพระอุทายยีเองก็เจอประสบการณ์ตรงไปปฏิ บ, บาติแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาล้างจานอยู่เห็นท่านพระอุทัยีด้วยสายฟ้าแลบหน่อยหนึ่งคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดมีฟ้าแลบปุ๊บ เห็นท่านพระอุทัยยีตกใจนึกคิดว่าผีปีศาจจะมากินเราท่านพระอุทายยีก็อธิบายให้ฟังว่าไม่ใช่นี่เป็นภิกษุในทํำไม่ไดน้นี้แต่มาบินตาบาัตถูกข้อด่าส า, าเสียเทเสียถึงพ่อถึงแม่คิดดูเอาถูกข้ด่าขนาดนั้นเราก็เลยอายมากว่าอุย้ยเราไปบินตบาตเพื่อที่จะมาเลี้ยงชีพแล้วก็คิดว่าปฏิบัติดีแล้วนะแต่ก็ยังเจอเหตุแห่งทุกข์แล้วถูกข้อด่าอย่างนี้ก็เลยมีความระลึกตรงนี้เกิดขึ้นว่า พระพุเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่นําเหตุแห่งทุกเป็นนันมากออกไปให้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปเจอเรื่องที่เป็นอสัตธรรมตรงนั้นแ ล, แล้วก็เป็นเหตุแห่งสุขและนํานมาให้หลายอย่างเนื่อเพราะว่าการรับประทานอาหารบนที่นั่งอัสนะเดียวลุกขึ้นแล้วไม่รับประทานอีกในวันนั้นก็มีกายเบาแต่มีกําลังมีพลังอยู่ได้มีภาระน้อยกินเสร็จครั้งเดียวก็ก็จบเลยพอท่านพระอุทัยมายกย่องพระพุทธเจ้า ในเรื่องนี้เรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็อธิบายเรื่องของนางโนงมุนไทยท่านฟัง น, น, นี้จึงเป็นชื่อของประสู ต, ตรตรงนี้ว่าโอวาทที่เกี่ยวกับนางโนงมุนไทยนี้เป็นยังไงได้ตรัสถึงบุคคลแบ่งเป็นสองจำพวกด้วยกันนั่นคือจําพวกแรกเนี่ยเป็นคนที่แหมต่างเตือนอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ไม่พอใจละเรื่องอะไรแหมที่นิดน้อยนนี้จะต้องมาคอยด่าคอยว่าคอยตักเตือนยแล้วก็ไม่เคารพยำเกรงอันนี้คือบุคคลประเภทที่หนึ่ง ส่วนกลุ่มที่2นะี่พอเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ป ร, ปรุชาตักเตือนให้ฟังตรงนี้อย่าทํานะก็เห็นเป็นลักษณะที่ว่าโอ้ยเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ควรรักควรไม่ทำทำไมต้องให้ประพุทามากล่าวฉันก็รับมาทําฉันก็รับมาปฏิบัตินี่คือกลุ่มที่2องนะโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มแรกเนะีเปรียบด้วยนกนกมุนไทยเลยมังแตนะ่ว่านกมุนไทยเนี่ยก็ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรเป็นนกที่หากินอยู่ตามพื้นดินคือเวลาชาวนาเข้าไปไถนาเสร็จแล้ว แต่เป็นดินเป็นง้วนขึ้นมาเนี่ยนกบุญไถยมันก็จะมาหากินตัวนอนตัวอะไรที่ตามบริเวณดินที่ชาวนาเข า, ถาไถไว้แล้วพอชาวนาเห็นเจ้านกบุญไถยนี้เขาก็ใช้เถาวันผูกมันเอาไว้เป็นนกที่เดินตามดินหากินตามพื้นดินเป็นหลักแต่บางทีเขาก็วางกับดักผูกมันเอาไว้จับมันเล่นเอาไว้เหมือนเลี้ยงสุนัขอย่างเงี้ยแต่เป็นเลี้ยงนกแทนอยู่ตามพื้นดินผูกมันไว้ด้วยเถาวันหัวด้วนเถาวัหัวด้วนนี้ก็คือหมายถึงเถาวันที่ไม่มีใบ ไม่มีอะไรเป็นเถาวันธรรมดาแต่จะรวมถึงรากมันก็ไม่ได้แน่นหนาอะไรแต่เป็นเถาวันประเภทหนึ่งนกตัวนิดเดียวธรรมดาแต่ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรถูกผูกด้วยเถาวันแต่มันจะบินขึ้นมันจะไปไหนมันก็ไปไม่ได้แต่เพราะว่าถูกผูกถูกรัดอยู่เพฉะนั้นเครื่องผูกคือเถาวันเถาหัวด้วนธรรมดาแต่เป็นเครื่องผูกที่มั่นคงสําหรับนกมูลไทยแต่ในีกกรณีหนึ่งในอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นช้างตัวใหญ่มาก เน่ยเป็นช้างพลายเป็นช้างต้นเป็นช้างที่เจนสงครามเคยผ่านศึกสงครามมาแล้วเน่ยมีงางงอนงามมีความเข้มแข็งมีพลังมีกําลังเนี่ยทุกผูกอยู่ด้วยโซ่เน่ยทุกปักอยู่ด้วเสาเน่ยช้างที่มีกําลังอย่างนี้ท่านผู้ฟังน่ยมันเอี้ยวตัวมันสลัดตัวขึ้นเนี่ยเสาก็ยังถอนขึ้นได้แปะว่าด้วยกําลังของช้างเพราะฉะนั้นเสาไม้แก่นที่ปักอยู่ที่พื้นมีโซ่ล่ามช้างเอาไว้ นั่นไม่ได้เป็นเครื่องผูกที่จะมั่นคงสําหรับช้างเลยอันนี้เปรียบเทียบไปฟังนะระหว่างนกมูลไถกับช้างเปรียบเทียบกับบุคคลที่ถูกว่ากล่าวเล็กน้อยก็เห็นว่าจะมีประยชนอะไรไม่ทําตามอันนี้คือเปรียบกับนกมูลไถ ท, ที่ถูกผูกอยู่ด้วยเถาวันเกลือเถาหัวด่วนส่วนกลุ่มบุคคลนะที่ถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยรู้สึกละอายรู้สึกว่าทําไมจะต้องมาให้คนว่ากล่าวเรื่องเล็กๆน้อยแค่นี้เราน่าจะทําได้แต่ก็ทําตามอย่างเต็มที่ เติมเปรียบเหมือนกับช้างที่ผูกอยู่ด้วยเสาหลักอันมั่นคงมีโซ่มีเชือกที่มั่นคงผูกเอาไว้แต่ก็ไม่ใช่เป็นเครื่องผูกที่จะผูกช้างนั้นได้เลยเพราะว่าช้างั้นตัวใหญ่มากเติมเปรียบที่ไม้ฟัง2งกรณีนี้ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บางทีเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่จะผูกยึดติดได้อย่างมั่นคงแต่สาหรับคนที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งเหมือนกับเถาหัวด้วนแต่ที่ไม่ได้จะเป็นเครื่องผูกอะไรที่จะมั่นคงได้แต่มั่นคงได้สําหรับนกมูลไถ เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเดียวกันนี่แหละตำาฝังแต่ไม่สามารถที่จะมาผูกยึดต่อให้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับบางคนแต่ก็ไม่เป็นเรื่องที่สามารถจะมาผูกยึดของบุคคลกลุ่มที่สองนี้ได้เปรียบเสมือนเชือกที่ผูกไว้กับเสาอย่างดีแต่ว่าไปผูกกับช้างตัวที่มันมีกำลังมากและไม่สามารถที่จะผูกอยู่ได้อะไรคือความแตกต่างกันระหว่างโนกมูลใดญกับช้างตัวใหญ่ตางกันที่กาลังตำฝัง อะไรเป็นความต่างกันระหว่างกลุ่มคนที่ไม่ใส่ใจคําสอนของพระพุทธเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับกลุ่มคนที่ใส่ใจในคําสอนของพุทธะแม้แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยก็เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญอะไรเป็นความต่างกันกําลังตะบวงกําลังคืออะไรในที่นี้คือกําลังคือฮิริโอตปาณนั่นเองกําลังคือความกลัวความละอายต่อบาปนั่นเองแต่คนที่ไม่มีความกลัวไม่มีความละอายต่อบาปแม้เรื่องเล็กน้อยเนี่ยกำลังจิตของเขาเท่านกมุนไถ แต่คนที่มีความละอายความกลัวต่อบาปแม้เรื่องเล็กน้อยก็ให้ความสำคัญกำลังจีของเขานั้นเหมือนกับช้างตัวประเสริฐเหมือนกับม้าอาชาในตะม่ังเวลาที่ถูกคนฝึกม้าตีให้เนี่ยแม้จะรู้สึกเหมือนกับถูกลงโทษอย่างแรงแต่ฉันจะต้องไม่ทำผิดข้อนี้อีกแต่ถ้าใ้เป็นเรื่องเล็กน้อยขนาดไหนก็าตามแต่มันเสียชาติของความเป็นม้าอาชาในพระเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนกับกวางแต่เมื่อบบวานนี้ครัพรเจ้าอ่านสับคำนี้ผิดไปนิดนึงจริงๆอ่านว่ามารึกเท่านั้นเอง เป็นศัพท์คำเดียว ก, กันกับป่าอิสิปัต น, นะมรึกอัยวันคำว่ามารึกนี้ก็คือหมายถึงกวางหมายถึงเก้งถึงกวางที่เป็นสัตว์ที่ว่องไวมากแต่ถ้าถูกใครเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะรีบหนีเลาะลัดจากป่านี้สู่ปานน้น่ะมันจะไม่ได้อยู่ให้ถูกจับได้ง่ายหรือถ้าถูกจับแล้วหนีมาได้เนี่ยแม้การที่จะได้เห็นมันอีกเป็นครั้งที่สองนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะระวังตัวอย่างมากแต่เป็นธรรมชาติของสัตว์ประเภทนี้ ก็เปรียบเสมือนคนที่มีกําลังจิตมีกําลังใจนี่แหละถูกว่ากล่าวตักเตือนนะในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญฉันจะต้องไม่ทําผิดเรื่องเล็กน้อยแบบนี้อีกมันไม่ดีมันไม่ถูกมันเสียความดีของตัวเราเองนี่จิตใจแบบนี้เป็นเหมือนกับช้างอาชาในเป็นเหมือนกับม้าอาชาในถูกข้ฝึกตรงนั้นถูกข้ฝึกตรงนี้ก็พยายามที่จะใส่ใจฝึกยอย่างดีทําอย่างดีในอุปมาคู่ที่สองก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันในะเปรียบด้วยคนจนกับคนมั่งมี แล้ก็เปรียบกับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่สองนี้อีกเหมือนกันที่เป็นลักษณะนางนกมุญไทยนากับช้างตัวประเสริฐคือคนที่ไม่มั่งมีเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งก็หลุดลุ่ยจะพังไม่พังแลมีข้าวเปลือกอยู่หม้อหนึ่งก็เป็นพันุ์ที่ไม่ดีมีแค่อยู่อันหนึ่งแล้วก็ผูผูพังพังหักตรงนั้นพังตรงนี้มีภรรยายอยู่คนหนึ่งแล้วก็ไม่สวยคนจนเข็นใจไร้ทซั์อย่างนี้ในเห็นภาพภิกษุ มีมือและเท้าอันล้างดีแล้วอยู่ในอาวาสแต่กินรับประทานอาหารอย่างดีมีผิวพันธุ์ผ่องใสแต่คิดว่าตัวเองจะไปบวชแต่พอคิดยิดดูแล้วแมมการบวชนี่มันจะต้องไปบินธบาตนะบินธบาตกลับมาแล้วก็ต้องมาล้างบาศัพพะละข้าวของอะไรต่างๆก็ไม่มีเออแต่ว่าฉันก็เก็บสัมภาระข้าวของไว้ในบ้านที่จะพังไม่พังแหล่เนี่ยอย่งจะดีกว่าแต่ส่วนเห็นแค่ตัวหนึ่งที่จะพังไม่พังแหล่เหมือนกัน แล้วก็คิดว่าถ้าเราไปบวชแล้วแต่คนทั้งหลายก็อาจจะไม่ซ่อมแค่นี้ไม่ได้ใช้แค่นี้จะเอาไปเผาไฟโอยเราเอาไม้ไผ่มาปะมาซ่อมดีกว่าบ้านหลังนั้นแค่หลังนั้นเราก็เปรียบเส ม, มือนเป็นปราสาทที่มั่นคงเปรียบเส ม, มือนเป็นที่นอนที่เป็นอย่างดีสําหรับคนเขียนใจอะไร้ซับพอมาเห็นพืชพันเข้าเปลือกที่ไม่ใช่พันดีอะไรของตัวเองล่ะลก็คิดว่าแม้ถ้าเราไปบวชแล้วแต่ผู้หญิงของเราก็จะกินข้าวนี้กับชายอื่น อยากกันั้นเลยเราควรจะเอาข้าวนี้ไปปลูกให้มันดีแต่ก็มีความคิดอย่างนั้นให้ข้าวหม้อหนึ่งที่เป็นพันไม่ดีเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นทรัพย์ที่เป็นยุ่งเป็นฉางแต่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแต่เห็นภรรยาที่รูปไม่สวยแล้วก็คิดว่าโอ้คนเลี้ยงช้างคนเลี้ยงม้าจะมาเกี่ยวพาราศีภรรยาของเราโอ้อยากกันนั้นเลยเราก็เลี้ยงดูภรรยางเราไปนี่แหละแต่ภรรยาของเขาที่รูปไม่สวยในตะบูฟัง แล้วก็เปรียบส่วนเป็นเทพีงดงามเลยแต่เขาไม่มีทางที่จะลาไปบวชได้แน่นอนแต่ถ้าจิตใจของคนจนเขณฑ์ใจไร้ซั์เป็นอย่างนี้ในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามแต่คนที่เป็นข้าราชการแตมีเงินมีทองสะสมไว้หลายราย้อยแท่งแต่สะสมไว้เป็นสมบัติสืบต่อกันมาเนี่ยเขาก็เห็นภิกษุในกรณีเดียวกันภิกษุที่ล้างมือล้างเท้าสะอาดแล้วผิวพรรณผ่องใสนั่งรับประทานอาหารอย่างดีในอาวาส นะเห็นแล้วก็คิดแต่คิดไม่เหมือนกันตัมวงังนะคิดถึงว่าพระรูปนี้นี่มีผิวพรรณผ่องใสนะมีมือเท้าล้างสะอาดแล้วมือเท้าล้างสะอาดนี่จะต้องมีข้อวัดข้อปฏิบัติอันดีแน่นอนแลนะมีผิวพรรณผ่องใสนี่คงจะต้องได้คุณวิเศษอะไรอย่างได้อย่างหนึ่งนะต้องมีสมาธิแน่อาจจะมีฌานสมาบัติเป็นปิญญาขั้นต่างๆนะถึงได้สงบเงียบนิ่งขนาดนี้ แม่แต่เราครองเรือนนี่เราคงจะไม่ได้คุณนวิเศษแบบนั่นแน่คุณนวิเศษแบบนี้เนี่ยแม่มันมีค่ามากกว่าทองหลายร้อยหม้อมากกว่าข้าวเปลือกที่อยู่ในยุ้งฉางหลายพันยุ้งฉางมากกว่าภรรยาต่างๆเหล่านั้นณนะเห็นคุณนวิเศษตรงนี้ตั้งหังณจิตน้อมไปคนละแบบแต่นะเห็นพระเหมือนกันเป็นเทวทูตเหมือนกันแต่นะคนจนเข็นใจได้ทรัพย์สมบัติณนะจิตกลับน้อมไปหาความสุขในทางกามที่มีนิดๆหน่อยๆ จากทรัพสมบัตินิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยที่ตัวเองมีแต่ลูกเศรษฐีเห็นเทวทูตเหมือนกันนั่นคือเห็นสมณะแต่จิตน้อมไปในสามัญญผลเห็นตรงนั้นเป็นอริยะทรัพย์เห็นตรงนั้นเป็นผลอันดีงามที่จะเกิดขึ้นและจิตก็จะน้อมไปในทางนั้นลีงออกจากเรือนตรงนี้ต่างกันมากเห็นสิ่งเดียวกันแต่จิตเห็นคนละเรื่องกันจิตที่มีกําลังไม่เท่ากันจิตเหมือนกนับนกมูลไทยมีกําลังน้อยหรือว่าจิตเหมือนกับช่างอาชาในมีงางงอนงามเจนสงขราม ตัวใหญ่มากมีกําลังเยอะแต่ต้องให้เครื่องผูกที่เป็นเครื่องผูกที่เหมือนว่าจะมั่นคงมีภรรยารูปสวยมีทองคํามีอาหารมีชื่อเสียงมีกิจยศอย่างดีไม่สามารถจะปลูกจิตปลูกใจของข้าราชกบรดีกว่ น, นี้ที่เห็นแก่มักเห็นแก่ผลได้เลยก็เหมือนกระช้างนะั่นแหละท่านผังช้างตัวใหญ่ถูกผูกอยู่ด้วยเชือกที่แน่นหนาะฝังอยู่กับเสาไม้อย่างดีไม่สามารถจะปลูกช้างตัวนั้นอยู่ได้แต่ถ้าคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติมีนิดนิดหน่อยๆ กลับถูกผูกอยู่ด้วยเรือนที่จะพังไม่พังแหลแคล่ที่ผูกปูพังพังภรรยาก็ไม่สวยเหมือนกับนกมูลไถ ท, ที่ถูกผูกอยู่ด้วยเถาวัลย์นี่แหละไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ก็หลุดไปไม่ได้เราก็ได้กล่าวถึงบุคคลอีกสี่จำพวกสี่จำพวกก็คือแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ยังละกิเลสไม่ได้แต่ก็คือสาประเภทแรกกับกลุ่มที่ละกิเลสได้แล้วก็คืออีกหนึ่งประเภทหลังแต่ซึ่งละกิเลสได้แล้วหนึ่งประเภทหลังนั้นก็คือพระอรหันต ส่วนสามจำพวกร άν, แรกนั่นคือพวกแรกเนี่ยยังถูกครอบงำอยู่มากแต่ไม่ได้คิดว่าจะละไม่ได้คิดว่าจะทําให้สิ้นสุดนั่นก็เปรียบเหมือนกับปุถุชนคนธรรมดายังหนาอยู่ยังไม่ได้คิดว่าจะละจะทําอะไรเลยแต่จนจโพวกที่2แล้วก็คิดว่าจะละแต่ก็ยังละไม่ได้ยังมีความคิดน้อมไปในการที่จะละทําให้สิ้นสุดแต่ก็ยังทําให้สิ้นสุดไม่ได้อันนี้ก็เริ่มมาสู่ในทางประเส ร, ริฐคือว่าเริ่มที่จะเป็นระยะ บ, บุคคลเป็นคนดีคนประเสริฐขึ้นมา ในประเภทที่3นั้นยังละไม่ได้ก็จริงแต่ว่าก็ยังมีสติตั้งอยู่ได้บางแต่พยายามจะละก็ละได้บางส่วนบางจุดแต่ยังไม่หมดจดนั่ก็เปรียบลักษณะของอริยะบุคคลที่ขั้นสูงขึ้นมาอีก แ, แต่ว่ายังไม่ถึงพระอารหาันต์จนกระทั่งพวกที่4นั้นก็เปรียบเหมือนกับพระอารหันต์นั่นเองแต่ตรงส่วนที่สําคัญของประจุนี้คือเรื่องที่ถัดมาในที่เปรียบเทียบระหว่าง2 อ, อย่างในะระหว่างการมกุล5การมกุล5ในที่นี้ก็คือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่าง เน่เป็นของปุถุชนกับความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นในชานที่1นึ่สอตรงนี้เป็นความสุขที่ควรเสพควรตามใหมากควรเจริญในแบ่งเป็น2 ส, ส่วนนี้อันนี้เราจะเห็นว่าอุปมาอุปไมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอดคล้องกันนั้นไล่มาตั้งแต่คนกลุ่มที่เห็นโทษภัยเล็กน้อยว่าเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญและก็คื อ, อยังเห็นอยู่ในเรื่องของปากท้องเห็นยังอยู่ในเรื่องของการมรุนหยังหลุดไปจากตรงนี้ไม่ได้ นคนกลุ่มที่สองถูกว่านิดๆหน่อยๆก็เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญจะต้องทําตามแต่เพราะว่าเห็นแก่มากเห็นแก่ผลเห็นแก่ข้อปฏิบัติแล้วก็เปรยียบเสมือนกับช้างตัวประเสริฐเปรยียบเสมือนกับคนมั่งมีที่สามารถออกบวดได้แต่เพราะว่าเห็นแก่มากเห็นแก่สามัญญผลที่จะเกิดขึ้นตรงนี้และยังได้แนะนําต่อถึงเรื่องของการที่จะละความอาลัยในความสุขขั้นเบื้องต้นและพื้นตีจะได้ความสุขที่ลึกซึ้งมากยิ่งยิ่งขึ้นไป พระสูตรนี้จบสวยงามมากท่ า, านบวชเดชให้ท่านพระอุทายีฟังเนี่ยถึงขั้นพระอาหารหันเลยแต่แต่ว่าตรงนี้นี่ก็ไม่ได้บอกว่าท่านพระอุทายีบรรลุถามขั้นไหนอั น, นนี้ก็ไม่ทราบเหนกั น, นเรื่องของนางนบุนไทยก็จบที่ตรงนี้ท่านบวชในเรื่องนี้เราได้เรียนรู้หลายอย่างในเรื่องอุปมาอุปไมของคนที่มีกําลังจิตไม่มีกําลังจิตเกิดจากความกลัวความร้ายต่อบาปคือริโอตปะแต่แล้วก็มาจบตรงจุดที่เรียว่าคือความอาลายัย เราที่ยังยึดถือในแต่มางังก็เราะว่าความอาลัยนั่นเองความเพลิดเพลินยังหวนคิดถึงอยู่แต่ซึ่งความอาลัยรักในสิ่งต่างๆนี่มันติดอยู่ได้กับทุกสิ่งถ้าเราเอาเรื่องหยาบๆทั่วๆไปแต่ก็ยังเป็นตาหูจมูกลิ้นกายแม้นี่ถือว่ายังต่ํามากยังแย่มากแต่แต่ถ้าจะดีขึ้นมาหน่อยก็ยังอยู่ในเรื่องของฌานสมาธิเออนี่ก็ดีแต่แต่ความอาลัยแม้ในฌานสมาธิความอาลัยนั้นมันไม่ดี ฌานสมาธ่พวกนั้นดีแน่นอนแต่แต่ความอาลัยในสิ่งนั้นมันไม่ดีเพราะว่ามันจะทําจิตของเราให้มันน้อมต่าลงแต่ก็จึงต้องละตรงนี้ด้วยแต่ความแตกต่างกันตรงนี้ก็คือเรื่องของอินทรีย์คือกําลังในจิตของแต่ละคนตรงนั้นเองและท่านบุฟังยังมีคําถามข้อสงสัยในเรื่องประสูตรเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าท่านบุฟังที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นได้มีความแจ่มแจ้งเพรา ะ, ะนั้นก็สามารถที่จะติดต่อ ไปเกียนเป็นจดหมายหรือว่าทางประเ็นิียบัติหรือว่าส่งมาที่เว็บไซต์เพียวธรรม .com ได้วันนี้รายการธรรมรารุปรุนก็จบเวลาเพียงเท่า น, นี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูญอาภีปุนโนก็ขอลาไปก่อนจเจริญปกรณ